ในพวกเราเห็นพระอยู่ที่วัดของหลวงพ่อทั้งหมดมีอยู่ส8มดสสดรูปนะอันนี้ก็คงจะมาฉันไม่ครบมัง้งแล้วก็มี่หมักศีดาซาีนวยพระท่านบวชนวยพระท่านซุกก็มี่หนึ่งล้รมราหมักศีดาหาเยอย่าวัดเฮงคเจ้าคุณเจ้าเจะาบอกหมักศีดาเออพลัง <laughs> ภาษาภาษาไทยก็ว่าฝรั่งมาจะเลยภาษาบันท่าว่ามักซิดากันเพิ่นมาอยู่ต่าง อ, อกต่างใจมาพภาวานาของเพิ่นอยู่ปฏิบัติเพิ่นชาวต่างประเทศเนี่ยนะเพิ่นก็นยังสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาพวกเข้าเป็นคนไทยพอแม่ปูญาตาใหญ่ผ้าประพฤติปฏิบัติมากจังนุมน่านพวกเขาก็ยังทะเลถลายเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศเพิ่นสนใจมากศึกษา เป็นพระปฏิบัติอยู่ในป่าในหลวงพงไพเห็นไหมผัวเข้าเบิ้งนูนสิเป็นปฏิบัติเป็นเป็นเอาจริงเอาจังเลยแล้วก็ขอแนะนําพระทิสศิษย์นักศึกษาที่เข้ามาบวชในวัดหลวงพ่ออันดับแรกพวกเราก็คงจะรู้แนวทางปฏิบัติว่าเมื่อเมื่อเข้ามาอยู่หลายวันแล้วการเป็นอยู่เป็นอย่างไรการอยู่การฉัน การวางตัวเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้พวกเราก็ได้ศึกษาได้รู้แนวทางหมดแล้วในการภายนอกก็คงจะในลักษณะอย่างนี้จากนั้นก็คงจะเกร็ดในความคิดเล็กๆน้อยๆก็คงจะมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินแหมก็นํามาแบบคบคิดนํามาพิจารณา ให้ถือว่าเราเป็นถ้วยชาที่4ี่ถ้วยที่หนึ่งถ้วยที่หนึ่งถ้วยชาคว่าเทน้ำไม่เข้าถ้วยชาที่สองถ้วยชาก้นรั่วฟังแล้วฟังหมดแต่ไม่พิจารณาไม่รับพิจารณาถ้วยชาที่สน้ำชาเต็มแก้วเทน้ำไม่เข้าถ้วยชาที่4ี่ถ้วยชาที่พองไม่มีน้ำ อันนี้แปลว่าพวกเราให้ถือว่าเป็นถ้วยชาที่4นะให้รับพิจารณาไว้อยู่เสมอว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นํามาคิดมาไตรตรองเหตุและผลในการได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งจากนั้นเราก็นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับพระไตรปิฎกหรือเราที่ได้ศึกษามาแต่ว่าตามให้จริงเมื่อเราเข้ามาศึกษาอย่างนี้ หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราศึกษาในแนวปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นนะอันนี้ขอฝากไว้กับพวกพระนิสิ์ที่เข้ามาบวชในวัดหลวงพ่อในครั้งนี้ที่พวกเราได้ศึกษาอ่านตำรับตำราจากครูบาอาจารย์จากสำนักต่างๆหรือในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อไม่อยากจะให้เอามาชนกันเอามาตีกันเอาม า, าปฏิบัติตามนั้น หลวงพ่ออยากจะแนะนำให้ปฏิบัติตามสายแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นก่อนในระยะที่เรามาอยู่หนึ่งเดือนเฉเศษเนี่ยหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยเราอยากหลวงพ่อเองอยากจะให้ปฏิบัติตามแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นเหตพราะเหตุไรเหตพราะหลวงพ่อเนี่ยได้แนวทางจากองค์หลวงตาแนวทางสายหลวงปู่มั่นคือองค์หลวงปู่มั่นท่าน หลวงตามหาบัวท่านได้ปทสาอนะปท3ประโยคมหาเปลี่ยน3ามประโย ค, ยโยคท่านเข้าไปศึกษาในองค์หลวงปู่มั่นเมื่อไปเจอวันแรกนะเมื่อไปเจอหลวงปู่มั่นวันแรกหลวงปู่มั่นเขาไปกราบในคณะที่ประมาณชักทุ่มหรือสองทุ่มพอค่ําตัวต่อ ต, ต, ตัวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านมหา ท้่ท่านเข้ามาศึกษาที่นี่ เ, เรื่องตำรับตำราที่ท่านได้ศึกษามาจนได้เป็นมหาให้ท่านเอาเข้าไว้ในตู้ซะ ก, ก่อนนะปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาเปรียบเทียบกับการได้ยินได้ฟังให้ท่านเอาเข้าตู้ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอาจากนั้นให้ท่านภาวน า, าบริกรรมพทรุทโธนะ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีสติในลมหายใจเข้าออกหรือให้มีสติในการก้าวเดินหรือให้มีสติในการเคลื่อนไหวของร่างกายท่านจะไปเอาที่ท่านได้เรียนได้ศึกษามามเปรียบเทียบท่านจะยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่รู้จักวิธีทางเดินเพราะนั้นให้ทิ้งไป้ซะก่อนให้เอาเข้าตู้ไว้ก่อนให้ท่านภาวนา พุโทโธอย่างเดียวนี่แหละอยากจะให้พวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษานะที่พวกเราได้ศึกษาจากตรำรับตรำราหรือจากครูบาอาจารย์จากใครก็ตามนะให้เอาไว้ก่อนอย่าอย่าเอามาคิดในช่วงนี้ในช่วงนี้เรามาศึกษาเพียงเดือนกว่าถ้าว่าเราต่อออกไปข้างหน้าเราจะเอาองค์อื่นเข้ามาเปรียบเทียบมันก็คงจะไม่สายจงคงจะไม่สายเกินไป แต่ทางว่าในขณะที่มาอยู่ศึกษาในที่นี่ให้พวกเราปฏิบัติตามแนวแถวสายขององค์หลวงปู่มั่นให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติให้มีสติในการภาวนาสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละพิธีการที่จะ นำประพฤติปฏิบัติให้พวกเราไม่ต้องคิดว่าองค์นั้นกระสินอย่างนั้นองค์นี้กรสินอย่างนี้แพ่งอย่างนู้นเพ่งอย่างนี้เรื่องอาณาปานัติเขาไม่ให้ความสาคัญเลยอันนี้พวกเราอย่าอย่าอย่านาสิ่งภายนอกเข้ามาในขณะที่มาอยู่ที่นี่ให้นําเอากรรมฐานขององค์หลวงปู่มั่นมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรา สมัยที่ท่านเป็นศิธถะยังเป็นกุ ม, มารอยู่ไปแลกนาขวัญกับพระปิดาพระบิดาไปแลกนาขวัญในขณะนั้นพระพี่เลี้ยงเอาไปพักที่ล้มต้นว่าใหญ่ในชายในชายทุ่งสมัยก่อนก็คงจะไม่มีตรงมีเต็นไม่มีพ้าลงปลัมอย่างทุกวันนี้ท่านก็ไปพักอยู่ที่ล้มต้นว่าใหญ่ คงจะจัดที่พักไว้ตรงนั้นทนีนี้ขณะที่พระเจ้าแผ่นดินลงไปแลกนาขวัญพระสนมกํานันทั้งหลายกันออกไปดูเออไปดูพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญปล่อยให้ศิทธัตนอนอยู่ตามลำพังทีนี้ศรทธัตที่เป็นกุ ม, มารที่เป็นเด็กขณะที่พระพีเลี้ยงทั้งหลายออกไปดูแลกนาขวัญท่านก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งพอนั่งเสร็จแล้วท่านก็กหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกมีสติในลมหายใจเข้าออกท่านก็ไม่ได้บริกรรมว่าพุทธโธนะ เ, เพียงแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกมีสติจากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัศนะเกิดฌานมีอภิเนาหาราร่มต้นว่านั้นอยู่ตรงอันนี้ในพุทธประวัตินะาจากนั้นพี่เลี้ยงนางนมก็เข้าม า, เ, าเพราะมาเห็นแล้วต้นว่า ร่มต้นว่าทั้งที่แดดจะส่องเข้ามาลมต้นว่ายังตรงยังอยู่ในล่มตรงแดดไม่ส่องเข้ามาถึงสิทธถะว่างั้นอันนี้ก็คืออภินิหารส่วนหนึ่งในพุทธประวัติอันนี้เราไม่อยากจะพูดถึงจุดนั้นแต่ว่าแค่ว่าเราจะเน้นหนักเรื่องว่าสิทธัะเมื่อเป็นกุมารท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในโคนต้นว่าในเมื่อ พระพุทธองค์ได้ตัดสรูท้ที่นี่วันเดือนหกเพนอยู่ที่โคลนต้นโพพระพุทธองค์ระลึกถึงสมัยเป็นกุ ม, มารเป็นศ ร, รฐฐีทัต t พระองค์ได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ที่โคลนต้นว่าจากนั้นท่านนํากรรมฐานสมัยเมื่อท่านเป็นกุ ม, มารนํามาใช้ที่โคนต้นโพพระพุทธองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก หายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่าให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเนี่ยอันนี้แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าใครจะเออบี่ยงเบนไปทางไหนในความคิดของท่านหมดกำหนดลมหายใจนั้นเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาหรือว่าวิปัสสนาไม่ใช่สมถะหรือไม่จาเป็นจะต้องมีสมาธิ ก่อนวิปัสนาอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นความคิดของแต่ละท่านละองค์ทั้งนะั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้แนะนํนานสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์แล้วให้พวกเรา ท, ท, ทุกๆท่านนะที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ให้ทิ้งส่วนอื่นไว้ก่อนนะก็ไม่เสียเวลามากหรอกเพียงเดือนเดือนกว่าถ้าว่าพวกเราเอาตอนนั้นมาเปรียบเทียบเอาตอนนี้นมาเปรียบเทียบ เ, เหมือนกับ เราเลยไม่รู้จักทางเดินกระโดดทางนั้นกระโดดทางนี้เนี่กระโดดทางนี่กระโดดทางนั้นว่าทางนี้จะผิดว่าทางนั้นจะถูกว่าฉะนั้นจะถูกว่าทางนั้นจะผิดพ้นที่สุดก็เลยไม่ไปไหนอยู่กับที่เพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่ตามไม่จริงถ้าเมื่อเราได้ศึกษาอย่างท่องแท้แล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าใครจะพูดขึ้นมาอ้าป่าขึ้นมาหลวงพ่อเห็นเรือไกิแล้ว เพราะเหตุไรเพราะว่าะจะยังไงก็ตามไม่พ้นในสติปัฏฐานสี่เอาหลักพระไตรปิฎกเข้ามาเปรียบเทียบทันทีเลยแต่พวกเราในขณะที่ปฏิบัตินี้อย่างองค์หลวงปู่มั่นท่านพูดนให้เอาความรู้ความฉลาดของตอนเองที่ได้เรียนมานั้นเอาเอาเข้าไว้ในตู้ซะก่อนปิดไว้ก่อนอย่านำเอามาใช้ให้บริกรรมพุทโธ เวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั่นแหละเอาเพียงแค่นี้พอถ้าหากว่าจิตใจมีหลักมีกฎมีเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเมื่อจิตเป็นไปอย่างไรแล้วสิ่งที่เราได้เรียนได้ศึกษามามันจะวิ่งออกมาเปรียบเทียบเองอันนั้นเราจึงค่อยว่ากันอีกอย่างเพราะฉะนั้นขณะนี้เราอย่าไปพึ่งเอาสิ่งอื่นเข้ามาเปรียบเทียบเนี่ยแล้วมันจะยุ่งเต่าั้น มันจะยุ่งมันจะหาความสงบไม่ได้ทางที่ดีจังองหลงตาท่านก็บอกว่าทีแรกท่านก็กําหนดจิตธรรมดาพราะกำหนดจิตธรรมดาเนี่ยมันไม่อยู่เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มันยังออกมีสิ่งที่เล็ดลอดออกไปได้อยู่ท่านก็เลยเอาบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทมีพุทโธบริกรรมพุทโธด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้อยู่กับพุทโธนี่แหละจิต ขององค์หลวงตาท่านขวัญเนี่ยได้รับความสงบเพราะนั้นแนวแถวที่พวกเราจะศึกษาเป็นผู้ตั้งต้นใหม่นะเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวาการที่เข้ามาอยู่ศึกษากับเป็นระยะเวลาหลายวันนะเกือบเป็นอาทิตย์เสรศษแล้วมัด น, นี้ให้พวกเราตั้งต้นนะให้ตั้งต้นเอาจริงจังในการภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักนะอย่างอื่นให้ทิ้งไว้ก่อน ศึกษาสายอื่นมาให้ทิ้งไ้ก่อนเอายืดตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้บอกนะบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือว่าการก้าวเดินพุทโธพุทโธหรือให้มีสติในการก้าวเดินถ้าว่าพวกเราจะใช้แบบกาหนดจิตดูจิตของตัวเองมันตะคุบเงาอยู่ทั้งวันนั่นะขนาดลมหายใจเข้าออกก็ยังจับไม่อยู่แล้วจะไปจับจิตละเอียดยิ่งกว่าอะไรเร็วยิ่งกว่าอะไร เราจะไปจับอยู่แล้วแต่คบอยู่ทั้งวันทั้งที่มันไปจนรอบโลกจา ก, กวันทั้ง3รอบแล้วตัวเองยังพึ่งตะคบหาเงามันอยู่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้มีสติกับลมหายใจเข้าหายใจออกนะอ่านี่แหละคือกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้เราศึกษาในพระไตรปิฎกดูสิว่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยอารมณ์อะไรก็อยู่ในกับอานาปานสติ พระอรหันอยู่ด้วยอารมณ์อะไรให้เราศึกษาดูนะอในพระไตรปิฎกสําหรับประชาชนสบับประชาชนเราอ่านดูก็ได้นะอท่านบรรยายเรื่องอนาปานาสติอยู่ที่นั่นมากมายถ้าว่าพวกเราไม่อ้างอิงถึงพระไตรปิฎกแล้วมันก็ยากเหมือนกันนะอถ้าอ้างอ้างอิงแล้วนํามาปฏิบัติ ด, ด้วยนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าอ้างแบบเลื่อนๆลอยๆไปเออ แล้วมีผู้มาถามผู้ที่ท่านรู้มาถามเราก็หาหลักยืนไม่ได้เหมือนกันพอเราพูดแบบความรู้ของเราเองแต่ถ้าว่าเรารู้แล้วก็มีหลักด้วยนั่นแหละแต่ไม่จริงคนเรามีลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกออถ้าไม่เห็นลมหายใจเข้าออกแล้วจะอยู่ด้วยอารมณ์อะไรถ้าปล่อยปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก มันเป็นยังไงนี่แหละให้พวกมิจฉิอพระใหม่ทั้งหลายหลวงพ่ออยากจะให้ภาวนานะกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นหลักทิ้งอย่างอื่นไว้ก่อนนะการพูดการคุยกันการสนทนาปารบ ก, กันให้มีน้อยที่สุดเพราะวนอื่นที่เราจะสนทนาปารบนั้นมีมากนะส่วนหนังสือหลวงพ่อไม่ปฏิเสธว่าไม่ให้อ่าน แต่ว่าควรจะอ่านสัก 20% ควรจะศึกษาสักย0ในการศึกษาในภาคปฏิบัตินะส่วนแปดสิบแเอร์เซ็นนั้นอยากจะให้ภาวนาซะมากกว่าเพราะว่าถ้าหว่าเราเก่งทางเก่ทงทางทฤษฎีนะเก่งทางแผนที่นะถ้าเรารู้ทางแผนที่ในะําำนีชํานาญในดูในแผนที่รู้รู้หมดในแผนที่นะแผนที่นี้ไปยังไหนไปนเราเรียนแผนที่นะ แต่ว่าเราไม่ได้เดินเราไม่ได้ปฏิบัติเพอเพอเรายังสงสัยในแผนที่นี้อีกแผนที่นี่เขาพูดจริงหรือเปล่าวะโกหกเราหรือเปล่านในแผนที่นีนะ้ถ้าว่าพวกเราได้ปฏิบัตินะสมาธิเป็นยังไงจิตของเราเขาสู่ความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสัง่งสอนคือเดินตามแผนที่อลไรท่านในเมื่อเดินตามแผนที่แล้วเราจะมั่นใจในแผนที่นี้ว่าพูดไม่ผิดถูกแน่ ถึงเราจะไม่เดินถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงจุดปลายทางของแผนที่แต่เราก็รู้ได้ว่าแผนที่นี่พูดถูกเพราะเราเดินเข้ามาแล้วเจออย่างที่แผนที่ชี้นําจริงๆนะเพราะฉะนั้นที่เราศึกษาทั้งหมดนั้นแหละคือแผนที่แต่เราจะไปอ่านแต่แผนที่อย่างเดียวเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็สงสัยในแผนที่นั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้เดินนะให้เดินก็คือให้ปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วสมาธิจิตสงบเป็นอย่างนี้คณิกะเป็นอย่างนี้อุปจาระเป็นอย่างนี้อัปปนาสมาธิเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตของเราสงบเป็นหนึ่งได้แล้วนะเราก็เสื่อมั่นในแผนที่จากนั้นการค้นคว้าตํำรับตําราที่จะเดินทางต่อไปนั้นเราก็มั่นใจเพราะเหตุไรเพราะเราปฏิบัติได้แล้วเห็นผลแล้วในภาคปฏิบัติและแผนที่เราจะค้นคว้าเองศึกษาไปเอง รู้ได้เองเถอนี่แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ค้นคว้าตํำรับตาราดูแต่แผนที่อย่างเดียวภาคปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติผลที่สุดเราก็เลยสงสัยในแผนที่นั้นแผนที่นี้โกหกหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทําไมพูดยกเมฆพูดอย่างนี้ฮะเราก็สงสัยในแผนที่นั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักให้พวกเราลงมือนะปฏิบัติภาวนาให้มากในขณะที่มาอยู่นี้ให้สติอยู่กับตนเองพยายามทําจิตสงบให้ได้ สักครั้งหนึ่งนะเดือนกว่าๆพยายามทำจิตสงบให้ได้สักครั้งหนึ่ง เ, เราไม่ต้องห่วงหาอะไรเสียดายในความคิดของเราเพราะความคิดของเราเราคิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงขนาดนี้แล้วมันไม่เคยหยุดสักทีเราได้อะไรแต่บัดนี้เราจะทำจิตให้หยุดปิดให้หยุดยปิดประตูปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเราเปิดมาจนพอแรงแล้วแต่ไปนี้เราปิดประตูทดลองเลยสิว่าเราจะอยู่ยังไง นี่แหละคือไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้สติหรือจิตอยู่กับตัวเองให้มีสติรู้อยู่ในตัวเองเราภาวนาอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ให้มีสตินะสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปัญญาคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาที่เขามาบวชอย่าได้เสียเวลาเวลาในเมื่อเราสติอยู่กับตัวเองแล้ว เรารู้จักปิดเรารู้จักเปิดนะในเมื่อสิ่งใดก็ตามสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องมันวิ่งเข้ามาหาเราเราก็หยุดซะก่อนพอหยุดเสร็จแล้วเราจะคิดอีกทลเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลแต่ถ้าว่าเราไม่รู้จักปิดนะมันเปิดเติดเปิดเปลืงอะไรเข้ามาเกิดลอยไปตามเขาเออปิ่งไปตามเขาชนไปตามเขาลอยลมไปตามเขาพ้นี่สุดเราไม่มีหลักจุดยืน เพราะนั้นหลักของพระศ า, าสนาท่านให้มีสติมีอะไรลมกระทบกระแทกมาเราก็าหาที่เกาะที่พึ่ง เ, เหมือนกับมีสนามเพาะหรือหลุมเพาะ อ, อย่างนั้นน่ะถ้าลมแดดผลมาลูกกระสุนมาในทิศทั้งสี่เราก็มีหลุมเพาะหลบอันนี้กเหมือนกันสมาธิเนี่ยคือหลุมเพาะหลบใจของเร า, เามีโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศ เ, เสื่อมยศ คนนินทาแล้วก็มีทุกข์ลูกพวกเราต้องเจอแน่ๆแหละเรื่องทุกข์นะไม่มากก็น้อยนะทุกข์ในการพัดผกักทุกข์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากมายทุกข์ในสุขภาพร่างกายของตนเองมันต้องมีแน่ๆในเมื่อทุกข์เข้ามาหาอย่างนั้นแล้วเราจะหลบที่ไหนถ้ามีสมาธิมีที่หลบนะนะมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยนะรู้จักที่หลบ หลบแล้วก็ปล่อยวางหลบแล้วก็ปล่อยวางปล่อยปล่อยปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหะความสุขใจก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราแต่พวกเราไม่รู้จักที่หลบนะอันไหนมาก็วิ่งรับทั้งหมดมีลาบมาก็โ h เมื่อเสื่อมลาบมาก็เป็นบ้ากับการเสื่อมลาบเมื่อเสื่อมยศขึ้นมาเราก็เสื่อมเสียใจกับการเสื่อมยศนั้นเป็นบ้ากับการเสื่อมยศฮ่าเขาปลดยศลงมาก็เสียใจนะ uh? ถ้าว่าเขานินทาเข้ามาก็เสียใจในการนินทาของเขานะ ในเมื่อมีทุกข์ขึ้นมาเราก็ทกจนไม่รู้จักปล่อยจักวางถือว่าร่างกายสังขารเป็นเราของเราแท้ๆจนไม่รู้จักปล่อยจักวางอันนั้นก็ทําให้เสียสูญไปได้เพราะฉะนั้นเราจงรู้จักที่หลบเมื่อสมาธิเนี่ยหรือปัญญาเนี่ยนะในหลักของพระศาสนานะท่านสอนให้รู้จักที่หลบปลีกกับสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นวันนี้เลยหลวงพ่อได้พูด แนะนำให้แก่พวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาเรื่องเน้นเรื่องภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองให้บริกรรมพทรุทโธตามแนวแถวสายองค์หลวงปูมันสิ่งอื่นที่เราได้ศึกษามาเก็บไว้ก่อนนะเอาเข้าตู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ในช่วงนี้มันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าเราเอาคิดองค์นั้นมาทาอย่างนี้คิดในยองค์นั้นมาอุบายจากองค์นั้นมาแล้วก็มาคิดในช่วงนี้ ผลที่สุดเราก็เลยกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังเอาไปมาเลยไปทางไหนก็ไม่ได้อยู่กับที่นะเพราะกระโดดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรากระโดดไปข้างหน้ากขาโดดไปเลยไปข้างหน้าเฮ้ยมันจะได้ไปไกลนะเพราะนั้นให้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไปพิจารณาดยเอาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละนะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดกันแล้วกันแนะนําเนี่ยไม่ผิดกันแล้วกันเพราะงั้นเอารับพรนัตตนี้นะ